วันนี้ก็ต้องพูดธรรมะหรือพิธีปฏิบัติให้พวกเราฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่26สิงหาคม2529ตรงกับปันแรม7คำ่ำ19เฉนไม่ถึง9หร้อมึงอีกไหมครับอเออ19เพราะนั้นผมได้มาที่วัดเรา มาเพื่อประสบพบเห็นกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็น่าภูมิใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมนั่นนะเราอยากเข้าใจว่าไปปฏิบัติที่นอกตัวเราต้องปฏิบัติที่ตัวเราเราหาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อหมดไม่ต้องไปหานอกตัวเราต้องหาที่ตัวของเรา พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าก็คือตัวคนคุกคนนั่นเองถ้าหากทุกคนรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็ะแสดงว่าคนนั้นได้ถือศาสนาพุทธอย่างสมบูรณ์ถ้าคนใดยังไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะหรื อ, อ ย, ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นพระธรรมยังไม่เห็นพระสงฆ์คนนั้นถือศาสนาพุทธ ก็ยังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรถ้าพูดดังที่ตื้นๆอย่างที่พวกเรามีามสงสัยกันแม้เอาบุญก็ยังไม่รู้จักบุญไม่รู้ว่าบุญบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนเม้ให้ทานก็เช่นเดียวกันเมื่อใดจะจบจะสิ้นไม่จดไปสิ้นให้ทานหมายถึงอะไรเอาไปทำไมจะเป็นที่พึ่งเราได้เพาะอย่างไรเราไม่รู้ ไม่รู้ก็ทาไปแล้วก็แสดงว่ามีประโยชน์น้อยนี้การรักษาศินก็เส้นเดียวกันรักษาศินห้ารักษาศินแปดรักษาสินสิบรักษาศินสองร้อยยี่สิบเอ็ ส, 1, สินพิกซุนีสินสามร้อยสิบเอ็ดตัวรักษาไปเยอะนะแต่ไม่รู้จักที่จบที่สิน้นก็แสดงว่าการรักษาศินอั น, นั้นก็นยังไม่สมบูรณ์เป็อย่างนั้น ดังนั้นการเจริญกรรมาฐานเมื่อจะเจริญพุโทโธก็ตามสัมมาอรหังก็ตามผ่องยุกก็ตามนับหนึ่งสองสามก็ตามอาณาปานาสติก็ตามถ้าหากเรายังทําลายโคมหลงศิษไม่ได้ความสงบนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ความสงบนั้นสงบแบบไม่รู้อีกอย่างหนึ่งจี่บว่าไม่สมบูรณ์ถ้าสงบแบบไม่รู้ก็แสดงว่าไม่สมบูรณ์ ถ้าสงบแบบรู้ก็แสดงว่าสมบูรณ์จยอสงบจึงมีสองอย่างสงบแบบไม่รู้อย่างหนึ่งสงบแบบรู้แจ้งอีกอย่างหนึ่งนี่ให้เข้าใจย่างนั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยรวมค้อมแล้วจะมาทําให้เราเนี่แหละเข้าใจทราบซึ่งในหลักพระพุทธศาสนาสอนเพื่ออะไรพระพุทธศาสนาสอนให้อวุณห์เนื้อ นึกสอนให้เรามีสติตั้งมั่นหรือนึกสอนให้เราเป็นอะไรเราจะได้รู้เองเห็นเอ ง, เ, องเข้าใจเองอันนี้เป็นคำพูดเล่าเรื่องให้ฟังดังนั้นวิธีการทำาบเ น, นี้ทำถูกก็ไม่ยากถ้าทำไม่ถูกก็เสียเวลาคนโบราณบ้านผมหรือบ้านหลวงหองคูดว่าทางก่วงยาวไกลไปไม่ถึงคนไม่มีปัญญาไปไม่ถึง เสีย เ, เวลาไั่ได้ทางก้วงยาวไกลไปให้ถึงถ้านจีวามนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพานก็เป็นสมบัติของมนุษย์นี่เองถ้าเราไม่รู้ทางเดินแล้วไปหานานิพานไปเอาสวรรค์ก็จะถึงไปไม่ถึงเลยถ้าคนสลาดบันเนี่ยเอาสวรรค์เอานิพานมาใช้อยู่กับชีวิตของเรานี่เองท่าจีวะทางก้วงยาวไกลไปไม่ถึง ไปไม่ถึงก็แสดงว่าเราเอาสวรรค์เอานิพ v a n มาใช้กับตนกับตัวไม่ได้เดี๋ยวไปไม่ถึงไปทางก้วงยาวไกลไปถึงแสดงว่าเราไปถึงแล้วเอาสวรรค์เอานิพ v a n มาใช้กับชีวิตจิตใจของเราอยู่แล้วหนึ่งทางเส้นให้ทานประปราถนาเอาสวรรค์อานิพานรักษณะสินประปราถนาเอาสวรรค์อนิพานทํนากรรมฐานหรือจเจริญวิปัสสนา ป่าารนาเอาสวรรค์นเนี้ผ่านจี่มันก้วงหลายวิธีใครทำอย่างใดถูกทั้งนั้นถูกตามความคิดของตัวเองแต่ว่ามันไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทัานสอนเอาไว้ดังนั้นแม่หาเงินมามากๆอย่างที่อาจารย์สุสีกับอาจารย์มัท น, นาเนี่ยได้ปริยะโทใช่ไหมได้ปริยะโทก็ยังมีความทุกข์อยู่ใช่ไหมปีความทุกข์นี่ความทุกข์แล้วจึงไม่ยกเว้นใครทั้งหมดเลย จะเรียนหนังสือปริยาตีปริยาโธปริยาเอกมาหัวตาขมทุกนั่นน่ะมันต้องติดตามบีบคันเราได้เดี๋ควขมขัดใจขัดใจก็บเปรวุฒทุกแล้วนี่วันนี้วันนี้คนมีเงินมากมาก น, นี้มีเงินร้อยพันหมื่นแสนล้านมีขุมทุกก็มีเป็นอย่างนั้นวันนี้คนไม่มีเงินไม่มีขุมรู้ธรรมดาอย่างที่บ้านเราอย่างที่อำเภอปักสมเนี่ย คนรุ่นคนก่อนเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังมีความทุกข์เช่นเดียวกันไม่เป็นยังไงเน่ยความทุกข์ในจริงไม่ยกเว้นไข่ทั้งหมดจะเป็นคนาาาศาสตร์ใดภาษาใดถือาศาอสนาใดก็ตามมันไม่ญาตไม่กลัวมันญาตมันกลัวแต่เฉพาะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ใดถือาศาสนาพุทธมันกลัวแม้จะเรียนหนังสือมากๆมันก็กลัวมีเงินมากๆมันก็กลัว ไม่มีเงินมันก็กลัวถ้าขึ้นเื้อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวพุทธจริงๆแล้วทุกมันไม่เข้ามาใกล้ทุกมันมาจากที่ไหนทุกอย่างที่หลวงพ่อมือพูดเมื่อกี้หลวเพียนคุณพีพ่วให้ทําจังหวะรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ผมทุกมันไม่มารบ ก, กวนในขณะใดเวลาใดเราไม่รู้สึกตัวทุกมันเข้ามารบ ก, กวนในปีน่ะจังหวา ให้การให้มีแนววิธีการจเจริญสติคำว่าจเจริญสตินี่กับผมรู้สึกตัวเป็นอันเดียวกันสติก็าแปลว่าเริ่มได้เนีปาชนยะควมรู้ตัวบัดนี้เราไม่ได้พูดตามภาษาตัวหนังสือไม่ได้พูดตามภาษาบาลีพูดตามภาษาพื้นบ้านเนี่ยวาให้รู้กายรู้กายก็คือรูปนั่นเองรู้ใจใจคือมันนึกมันคิดนั่นเอง รู้กายเป็นใหญ่ในกายเอาชนะกายให้มันได้รู้ใจเป็นใหญ่ในใจเอาชนะใจให้มันได้ก่อนที่จะเอาชนะได้ทำยังไงแล้วก็สร้างจังหวะการสร้างจังหวะนี่มันไปตรงเอา ก, กับคาสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอน ให้มีสติรู้ที่อย่างนี้นอกจากนั้นท่านก็ยังแนะนำให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีแต่็ตามตามคำว่าสติเข้าไปกำหนดรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยทุกอิริยาบถทีเดียวจากพิษตาก็ให้รู้เลือดท้ายแล้วหัวก็ให้รู้ ก้มเงยก็ให้รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ให้รู้กินน้ำลายก็ให้รู้หายใจก็ให้รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้นี่ที่ท่านสอนเอาไว้รู้แล้วมีวาอหมายอย่างไรจะได้ประโยชน์อะไรคนเราทำพูดคิดไม่รู้จิตไม่รู้ใจตัวเองทำไปตามอารมณ์เมื่อทำไปตามอารมณ์ก็เร็ว่าคนลืมตัว สิ่งที่ผิดก็มีสิ่งที่ถูกก็มีคนที่ทําผิดบ้างถูกบ้างจะเป็นคนสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์แค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเตจก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรากายก็ได้ท่านว่าในขณะทำพูดคิดไม่รู้สึกตัวนั่นเนี่ยท่านเรียกวคนลืมตัว สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันอยากทําอะไรมันทําไปมันอยากพูดอะไรมันพูดไปเพราะมันไม่มีสัญญามันไม่มีความละอายนั่นเองคนไม่รู้สึกตัวนั้นจิ๋วทำพูดคิดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สัตว์จิตใจตัวเองก็ทําไปตามอารมณ์แต่แคนขาหน้าตามือเท้าเป็ี่ยนคนจิตใจอาจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเปกก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรากายก็ได้ีิ๋วคนมีตาทิศจึงเห็นสิ่งนี้ คนไม่มีตาทิพย์ไม่เห็นเลยใช่ว่าเราเคยเห็นผีไหมไอผ้ผีบักผีเคยได้ยินบ้างไหมฉันเคยได้ยินนะหลวงพ่อเคยได้ยินนะเคยได้ยินเนีน่ยพวกพวกอในยุคได้ยินไหือเคยได้ยินเอฮเคยคนนี้คือเทวดาแท้เนี่ย <c oughs> เคยได้ยินบ้างไห้อย่างเคยได้ยินเนี่ย <c oughs> แต่เราเห็นเทวดาไมหมหรือ เห็นไหมเห็นเทวดาไม่เคยเห็นผีเคยเห็นไหมผีก็ไม่เคยเห็นเนี่ยคนไม่มีตาทิพย์จึงเห็นไม่ได้คนมีตาทิพย์จึงเห็นคนวะได้ดวงตาเห็นธรรมผีคําว่าคือคนทาชั่วพูดชั่วคิดชั่วเห็นหน้าผู้หญิงอีนางนี่คือผีเนี่ยมันคือผีแต่แคนขาหน้าตามือเท้ามันเป็นคนใจมันเป็นผีเดี๋ยวแบ่งเป็นสองภาคเมื่อใจเป็นผี ร่างกายยังเป็นคนใจเป็นผีแล้วเัมนี้ทําพูดคิดไม่รู้จากอายจิตใจเป็นเเอกสารเหมือนตัวยังเป็นคนอยู่เนี่ยเป็นเมื่อจิตใจมันร้อนรนบหมนเนี่ยจิตใจไปรกจุนรกแล้วเหมือนคนยังเป็นลุงลูกชายังเป็นคนอยู่บหมือนจิตไม่พอเัมนเนี่ยได้ไม่พอเัมนเนี่ยจิตใจเป็นเปรตเหมืนเนี่ยร่างกายยังเป็นคนอยู่คนมีตาทิพย์จึงเห็นจิตเห็นใจท่านเห็นจิตเห็นใจตัวเองัน วันนี้คนใดทำพูดคิดรู้สึกตัวเองมีคมละอายแก่กายเพื่อนกคนและมีคมละอายแก่ใจก็เป็นเทวดาได้แล้วเลยเทวดาที่ว่ามีหินิคมละอายแก่ใจคนใดทำพูดคิดรู้จักจิตตัวเองนั่นแหละเป็นเทวดาขึ้นมาคนมีตาทิพยจึงเห็นเทวดาดังนั้นคนเราเกิดมาต้องรู้จักเคารพ บ, บิดามารดา บิดามารดาบ้านหลกงคนเดียวพอแม่แล้วก็ให้รู้จักเคารบพี่พี่ติวัดเป็นผู้เกิดคนเราน้องเหมือนเกิดหลังเราหรือเคารบตัวเองเหมืนเนี่ยเมื่อรู้จั ก, จกข้าลบบิดามารดาข้าลบครูอาจารย์หลือข้ารบเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเน่ยขารบคนอื่นนั่น่เพียงยกมือไหว้จิตใจอาจจะดุร้ายก็มีเนี่ยถ้ายกมือไหว้ตัวเองแล้วบหมือน ในขณะนี้เราคาลังยกมือไหว้ตัวเองทําดีพูดดีคิดดีก็เป็นการยกมือไหว้คลทั่วไปนี่พอแม่เราก็อยู่ที่ตัวเราพี่ชายเราก็อยู่ที่ตัวเราน้องเราก็คือคือตัวเราตัวเราก็คือเพื่อนฝูงตัวเรานั่นเองจี๋ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครคือคนธรรมดานั่นเองจิ๋ คันคนไปโกรธคนไปด่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปโกรธพระพุทธเจ้าและจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงวันนี้ไปโกรธคนนั้นคนนี้ไปด่าคนนั้นคนนี้ไปอิจฉาลิษยาคนนั้นคนนี้ก็ไปโกรธพระธรรมเมื่อไปโกรธพระธรรมแล้วก็ต้องไม่เห็นพระธรรมเพราะพระธรรมหนีนี่เป็นอย่างไรวันนี้เราไปโกรธเพื่อนฝูงแล้วก็ไปโกรธพระสงฆ์คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราไปโกรธพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องไม่เห็นพระสงฆ์ พ่อภาคสง์ไม่มีตัวเราเนี่ยดังนั้นการเข้าถึงธรรมะจึงมีวิธีการวิธีของมันคือทําความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคือรู้สึกตัวบังคับตัวรู้สึกใจบังคับใจไม่ให้มันทําไปตามอารมณ์ใช่ไหมเมื่อมันไม่ทําตามอารมณ์แล้วท่านว่าเหมือนกับนายสารถีฝึกมาน หมาเนี่ยฝึได้ดีแล้วก็ต้องเอาไปขี้แค้งในสนามก็ได้เลยยังไงจิตใจถึงแล้วจิ้มว่าไปตามใจเลยใจเป็นสัตว์มันก็ต้องตายกับเป็นสัตว์จิงมว่าสัตว์เวลาสารเราเคยเห็นไหมบ้านหลวงพ่อแถวนี้ละถามหลวงพ่อนี้เขารู้จักทันทีเนี่ยหลวงพ่อเคยเห็นควายกินนมแม่เหมือนบ้างไหมเห็นนะโต้หมากินนมแม่เหมือนบ้างไหมโต้หมูมันกินนมแม่มหม ตหมาหมูงัวโวายบ้านหลวงพ่อกินนมแม่มันคนก็ต้องกินนมแม่มันบัดเนี่ยลนขณะหมาเนี่ยมันอยู่นมแม่มันกินนมแม่มันง่ายขึ้นมามันไม่รู้แม่มันเลยมันกัดแม่มันก็ได้บางทีโยนเข้าให้กินแม่เนี่ยไปแย่งสิมันกัดแม่มันเลยนี่มันไม่รู้จักคนใดไปอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนนั่นน่ะแต่แค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจเป็นสติลศาสตร์เป็นอย่างนั้น ตัวงัวตัวควุ้ยก็เหมือนกันเมื่อในขณะมันกินนมแม่มันมันก็ห้องกินนมแม่มไปง่ายขึ้นมาแล้วมันอยากซิกมันอยากสนมันยากยัยอยงอะไรกันให้ไปให้กัพอกับแม่มันมันเป็นอย่างนั้นนี้แสดงว่าจิตใจคนนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะแล้วก็นําแต่ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนขอเราเองเป็นคนดยูไปที่ไหนขอเราเองเป็นคนไป นั่งที่ไหนคนเราเองเป็นคนนั่ง น, นอนที่ไหนคนเราเองเป็นคนนอนเข้าห้องน้ำห้องซ้วมกินพูดคิดอะไรตัวเองทั้งนั้นจริงว่าคนมีคมทุกข์นะจึงวะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเราเออสภาพร่างกายนี่ไปอย่างนี้นะจิตใจนี่ไปยังไงร่างกายมันไม่รู้ตายแล้วเอาไปจุดไฟรอดมันก็ไม่ว่าเลยเคยได้ยินบ้างไหมหลวงพ่อ คนตายแล้วเอาขึ้นกองคนมันว่ารองไหมไม่รองนะไม่ร อ, อ, องวันนี้คนตายแล้วเอาไปฝังดินเอาดินกบหน้ามันมันเคยร้องว่าหายใจฟืดได้เคยได้ยินบ้างไหมไม่ได้ยินย น, นี่แสดงว่าร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแผ่ควงไว้อย่างที่ว่าแผ่เนี่ยเราถ่ายคาบน้ำไปแล้วเราไม่ต้องแบกแผ่ขึ้นไปบนบกแผ่ต้องที่แงไว้เลยเราเดินไปแต่คนเดียวดังนั้นร่างกายเนี่ยงมันไม่รู้สึกใจคนเดียวมันรู้ ตาเห็นอย่าเนี่ยตามันว่างามไหมไม่ใจมันว่างามตาเห็นเนี่ยมันไม่งามใจมันไม่ว่าเลยเออตาไมไม่ว่าเลยใจมันว่าเองหูฟังเสียงบันเนี่ยหูมันว่าเพาะไม่เพาะไหมมันไม่รู้ยใจมันรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะเพียงให้ลูกกายรู้ใจกายกับใจได้แย่กันไม่ได้แย่กันเมื่อใดก็เสีว่าตายเมื่อนั้นนะที่ว่าเข้าถึงธรรมะเข้าถึงอรก่อนเข้าถึงลูก รูปนี้มองเห็นจับถูกด้วยมือมองเห็นเเข้าถึงนามน้มคือจิตใจนึกคิดต้องเข้าถึงสองอย่างนี้เข้าถึงรูปเข้าถึงน้ำรูปทำน้ำทำเนี่ยรูปนี้เองทาดีรูปนี้เองทาชั่วรูปนี้เองไม่ทาดีไม่ทาชั่วรูปเป็นคนทาใจเป็นคนสั่งนี่ดังนั้นเมื่อใจสั่งแล้วเน่ต้องเห็นรูปทาน้ำทารูปโลกนามโลกโลกนี่มีแต่ความทุกข์คมเดือดร้อน โลกจึงมีสองอย่างเกิดมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องเจ็บแขงเจ็บขาเนี่ยโลกอันนี้เรียวกว่าโลกทางกายโลกทางวัตถุกันไาอยังไงโลกทางใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจขัดใจไม่ขัดใจโลก น, นั้นเรียกว่าโลกทางจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนให้คนรู้ใจตัวเองอย่าไปรู้ใจคนอื่นไม่ได้ท่านสอนอย่างนั้นเมื่อรู้จักรูปโลกนามรู้แล้วก็รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตา แต่ได้ตํำรับตําราธรรมุกผมงอกฟันหักอันนั้นมันเป็นทุกเรื่องสมมุติทุกขอังอนิจจังอนัตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่และอิริยบทย่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดปัญญาสัมผัส ร, รู้ในอริยาบถจะได้รู้ว่าในอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบทนั้นเป็นตัวทุกันว่าจะแทุกเมื่อเห็นทุกเราเราก็ไม่ต้องการมาเกิดเป็นคนไม่ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องการมาแล้วมันทุกข์ดังนั้นคนทําบุญจีว่าปราถนาเอาสวรรค์นิพพานทําบุญมากๆตายแล้วไปเกิดสวรรค์ตายแล้วไปเกิดนิพพานหมดบุญอันนั้นเรากลับมาเกิดเป็นคนคนนั้นรู้ธรรมะไหมรู้รู้ธรรมะแบบไม่รู้อนะันนั้นรู้ธรรมะแบบตามตา ม, ตามกันมาพ่อแม่ปู่ยา่าตายายพูดตามกันมาไม่รู้แจ้งไม่รู้ทิศคนนี่จึงเปรียบุปมาแล้วเหมือนกับอยู่ในถ้า ถําเนี่ยมืดมิดมานานแสนนานล้านปีสองล้านปีเหลือจากสิบล้านปีมันก็มืดอยู่อย่างนั้นคนนี่ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วตายตายแล้วเกิดมันก็มืดตื้ออยู่อย่างนั้นเมื่อเราไม่ออกจากถ้าเสรียแล้วมันก็ต้องมืดอยู่อย่างนั้นคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราไม่ออกจากโทสะโมหะโลพาดราหลงลืมมืดตื้อยู่ในจิตใจอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ก็รู้จักสมมุติเนี่ยรู้จักสมมุติไอ้ผีเนี่ยตัวคนมันไม่เป็นผีใจมันเป็นผีถ้าเป็นผู้ยิงอีนานี่คือผีเนี่ยตัวคนมันไม่เป็นใจมันเป็นเนี่ยบัดนี้พระเนรได้บัดเนี่ยเนี่ยพระเนรองนี้ก็เนี่ยใจายคือผีทาชั่วคือผีเนี่ยพระนี่ก็เป็นผีมันเป็นสมมุติอันนี้ชื่ว่าสมมุติกะเทวดาผุปฏิกะเทวดาวิสุทธิเทวดามันพวกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเอง สมมติขึ้นมาว่าผู้ใหญ่บ้านกรรนันเนี่ยเขายกน้องขึ้นแปลงตั้งขึ้นมาเป็นเทวดาโดยสมมุติเขาว่าอย่างนั้นบทนี้อุปติกาเทวดาเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่บ้านกรรมนันเป็นครูโรงเรียนเอ๊เราไม่ควรทําอย่างนี้ไม่ควรพูดอย่างนี้ดูแ ล, ลาราชฎรโคมทุกสุขให้สม่ำเสมอกันบทนี้เป็นครูโรงเรียนก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องสอนตามหน้าที่ของเขาเรียก ว, ว่าอุปติกาเทวดาคือจิตใจมันเป็น เป็นตำรวจทาหารเป็นครูปศบาลเป็นผู้ให ญ, ญ่บ้านกำนันเป็นนายกัฐมนตรีก็เป็นได้โดยสมมุติจึงให้รู้จักสมมุติเนี่ยอุปติกาเทวราคือใจบันเนี่ยใจมันเป็นเนี่ยวิสุทธิเทวดานิสุทธิคือจิตใจบริสุทธิ์จิตใจไม่เสาหมองเรียกว่าจิตใจเป็นอิสระแท้ว่าคำว่าอิสระไม่ใช่ว่าไม่ได้ผิดหน้าที่จ้ะ ว่าคนนี่เกิดมาต้องศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของคนให้รู้จักควรมเป็นคนคนนี้รู้จักว่าเรามีหน้าที่ของคนล้วก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราแล้วก็เป็นคนวันนี้เราเห็นคนปฏิบัติให้คนเป็นเทวดาก็ได้ปฏิบัติให้เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้ที่สุดปฏิบัติให้เป็นพระเรียบบุคคลก็ได้กาแสดงว่าเห็นศาสนารู้ศาสนาเพรารู้สมมติจริงแล้วเหรอ มันเป็นเพียงสมมุติรู้เท่านั้นเองสมมติเอาสวรรค์นี่ผานก็สมมุติเอาเทวดาก็สมมติเอาผีก็สมมติเอาคนไม่มีตาเท็จจริงมองเห็นอะไรเขาจงกลัวผีครับผีเนี่ยมันถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแสนปีหรือจากสิบล้านปีสิบแสนปีแล้วเขาไม่รู้มันถือกันมาอย่างนั้นเพราะกลัวผีคนกลัวผีจิตใจเป็นยังไงอันนี่สมมุติเอานะนี่ไม่ใช่เป็นของจริงพูดนะให้ฟัง เดี๋ยว่าคนใดโกรธแล้วคนได้มาพอใจแล้วกับคนนั้นทุกทันทีนะเราเคยเห็นสุนัขไหมสุนัขหมาเนี่ยมันเข้าไปปราซาทมันไม่กลัวเลยไปเมื่อคืนมันก็ได้เมื่อเย็นมันก็ได้มันไปโกยเอาคนตายแล้วขึ้นมากัดจริงๆเลยคนเนี่ยเข้าไปปราสาทกลัวแล้วหมากับคนใครจะใจสูงกว่ากันใครใจใจใจใจเข้มแข็งกว่ากันเราคิดอย่างนี้ก็คิดได้ตัวผมเองเรียนมนเรียนคาถากันผีกันมีดกันปืน มีดฟันไม่เข้าปืนยิงไม่ออกเนี่ยไปเหันนายกบุญมาตอนพุงสมัยนั้นมันไปเมืองลาวได้สบายเลยไปโยนอมทุรีทุีท่านขอกูมีแผ่นทองตั้งพา้าท่านไปปฏิบัติทำคของรู้สึ ก, กตัวรูปบือขอโตว่ามีไโตกใจไประโทสมกูตายยสมมุตินี่ว่าเครื่องราง ข, งของขังกระตุดมนยังการปลุกเสกมีไว้เพื่ออะไรมีไวสาหรับหลอกล่อคน หลอกให้คนโง่ลงไปคนสลาดเขาไม่เสื้อแล้วหลวงพ่อไม่เสื้อเลยตั้งแต่วันนั้นขนแข้งกูท่อหนามขาสินคนแข้งมาใช่ท่ออะไรลมพัดกระปิวนี่นะขนขาท่อข น, นเม็ดเนี่ยกูอยากเต้นไปได้หอยศพันวาพญามนเลยสิ น, มนจมากาบมาไว้กูเลยสินตีนแกนปันหินเน่ะหนผากแกนปันหินตีนแกนปิดเยียบน้ํามก็เข้านี่ไม่ปักหนผะากมันสมมุติจย่างวะให้รู้จักสมมุติจริงจริง นี่แหละคนไปถือเครื่องรางของขังการปลุกเศกคืองงามงามดีคาหาสาลิกาลินทองอะไรสนมเสน่เนี่ยน่ะว่ามันดีดีมีไว้สำหรับหลอกคนเท่านั้นเองคนใดงก็ต้องเสื้อไปอย่างนั้นก่อนเพราะมันไม่มีที่พึ่งท่านว่ายอย่างนั้นคนสลาแล้วเขาจะไปซื้อถืออย่างนั้นทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วเพราะจิตใจบันฑีจึงทำดีได้ จิตใจมันชั่วมันจึงทําชั่วได้ดังนั้นเมื่อรู้จักสมมุติลรู้จักศากสานาศาสนาคือตัวคนนีเน่เองนี่ยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าศาสนาคือวัดคือพระพุทธรูปอันนั้นศาสนาสมมตุติพุทธาศาสนาคืออะไรไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่อะไรทั้งหมดพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานด้วยธรรมเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องไม่เชื่อไข่ทั้งหมดเลย บาปคือแบงมืด อ, อยู่ในถ้านั่นเอง น, นั่นไงบุญก็ออกจากถ้าได้เพราะเรามีไม่ขิดไฟมีเทียนจุดไม่คิดไฟขึ้นมาใต้เทียนเราก็ไปได้สบายไปในถ้าออกจากถ้าได้คนที่ไม่มีไม่ขิดไฟไม่มีเทียนในมือก็เดินวกวนอยู่ในถ้ำเหมัอนเดิมว่าให้ทานทานแล้วทานทานแล้วทานปรารถนาอวสานิพพานรักษาศีลรักษาวันนี้รักษาไปไม่มีการสิ้นจบเลย คนไม่สิ้นไม่จุกวัดตักสงสารยืนยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมนั่นเป็นวันนั้นคนโบราณนั้นสอนอย่างนี้จึงว่าทางยาวไกลไปไม่ถึงพ่อยังไปปรฎถน้าตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจีเอานิพพานแล้วมันจะได้ทําใหม่บ้านหลวงพ่อสุดที่นางวัตเมทานางแหลวงพ่อเองเป็นคนพูดอะไรทาบุญข้างไหนก็ต้องไว้เนี่ย สุดทิศนางวัตะเมทานางอาสาวะขยับหันหงโหตู่ข้าพระเจ้ายินดีในทานการถวายของข้าพเจ้านี้จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห้งอาสะวะกองกิเลสเครื่องดองสันดานท่านกล่าวว่าพระนิพพานในอนาคตปรกาศเบื้องหน้านนทุนตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจะอานิพพานกิเลสก็เหมือนกันตายแล้วจึงจะละเนี่ยมันเข้าใจมันต้องละเดียวนี้หลวงพ่อเห็นบ้านหลวงพ่อบ้านปักสมและขยี้ เ, เหมือนกันนะเข้าใจอย่างนั้นเอาเองนั่น คนตายแล้วนะจี้หมากให้มวนบุรีให้เอาไปกองอนเอาอยัางไปให้เ้ายกองผนเะนี่ยเคยเห็นบ้านหลวงพอมีไหมมเ mm hmm. นี่ยแล้วมกมาเจมดทําไมอย่างนั้นเรียประธานนายมันหมดมาเจมือ เ, เราต้องเลิกเอาตีเราไม่เลิกให้ผีมันเลิกให้เราได้ไหมมันไม่หมดเลยคนเจ็บไายได้ป่วยบ้านหลวงพอนะ่อถ้าเป็นผู้หญิงลูกเอาข้าว อ, อ่ อ, อนๆหรือปิ้งปลาดีๆไปกินกินไม่แม่คืนไม่ให้เป็นนะ ข้าวอ่อนๆปลาดิดีเปรี้ยงร้อนๆนไม่กินไม่ได้เมี่ยกินไม่ได้แค่มาจากข้าแม่แม่เอามาลองดูเนี่ยมันเป็นย่นังไงตัดกระจุกกระจุกเหาเราทานะเป็นยังไงแม่มีแหงหน่อยนีพผลที่สุดตายเลยเนี่ยเป็นอย่างไงเพราะก็คือกันเอาจิ้นเข้าไปเพาะกินไม่ได้พอเมื่อยหลายสุบยาจาับมูลพอๆเอามาลองให้พ่อดูสูบยาเข้าไปมีแหงจากน้อยมันจะมีแหงทําไหมรดศาสของมูลนั้น นะคนที่สุกตายเลยเพราะไม่รู้นั่นเองอันนี้นํามาเตือนกันวิธีปฏิบัติละความชั่วปฏิบัติให้มีความดีก้าวหน้าขึ้นอันนี้เราไม่เลิกคมชั่วมันจะดีทําไามนเนี่ยสัตว์ในรัศมีมันไม่รู้จักแม่มันมันไม่รู้จักพ่อมันมันอยากทําอะไรมันก็ทําไปเนี่ยเขาว่าคนขาวนั้นเขาว่าเป็นคนป่าถือศาสนาไม่รู้เขาว่าอย่างนั้น ดังนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยพ exactly ูดด like. ้วยความจริงใจเพราะว่าที <sm <sm ่นี่เป็นสํานักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อเพียรเนี่ยเป็นรุนพี่นเนี่ยแต่สมัยเป็นพระหลวงพ่อเป็นเนนเนรหลวงพ่อเออแล้วกลับมาปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอีกแล้วเป็นปฏิบัติแต่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่เป็นเป็นพี่สายนะซ้ำหลวงเรื่องคุณานี่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ข่าวนั้นหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นเป็นครูบาผมเป็นเนนแรมาลูลธรรมาแล้วหลวงพ่อ เป็นโยมหลวงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ เ, น เ, นเป็นพระไปปฏิบัติธรรมะจริงมันกลับกันไปกันมากลับกันไปกันมาทีว่ว่าธรรมะนั้นทีวิว่าคือคนผุกคนปฏิบัติถ้าหากเราไม่ปฏิบัติให้มันรู้จ ร, จริงๆแล้วมันจะเสียเวลาทีว่ว่าปฏิบัติรู้อย่างนี้่มันยังไม่รู้เรื่องวิปัสสนูวิปลาจจินตญาณยังไม่รู้เราต้องมาปฏิบัติให้มันมีความสัมผัสแนบแน่นกับข่มนึกขมคิด ให้มันมีความรู้สึกตัวเป็นอนุกตามมันเห็นผีเห็นเทวดาเนี่ยมให้มันรู้สึกตัวพอดีมันคิดปึ๊บให้มันดูอยู่กับหลผมรู้สึกคนนี้พอดีมันคิดอย่าไปกับผมคิดเพราะผมคิดมันจะดึงเราไปคนไม่รู้จาักผมคิดคิดไปบางคนนอนไม่หลับแต่เอาอยาระงับประสาทมา ก, กินเป็นบ้ากันวันนี้จะเทียบส่วนให้ฟังนะคนมีเงินมากมา ก, กับคนจนใครตายหลายเท่ากันจะตายเท่ากันทั้งตายนะทุกคนตายทุกเมื่อเทียบส่วนแล้วคนมีเงินมาก ฆ่าตัวตายมากกว่าคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินเนี่ยไม่ค่อยเอาปืนยิงตตายหรอกไม่ค่อยกินยาตายดรวยคนมีเงินเนี่ยเอาปืนยิงโตตายนี่กินยาตายคนมีเงินก็ตายหลายกว่าคนไม่มีเงินเพราะคนมีเงินมันคิดมากเลยจิว๋วแสดงว่าเงินมันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆคนเรียนหนังสือมากๆก็เหมือนกันหลวงพ่ออยู่วัดสนามหนคนนึงเรียนหนังสือจบปริญญาโทมาจากอเมริกามาทํางานธนาคาร เม่องคิดไปคิดมาน่ะเป็นบ้าเป็นนอนไม่หลับเลยพีพีน้องๆไปหารักษามันไม่หายเอาน้ามนมาลดมันเย็นตั้งแต่ใจเย็นตั้งแต่ลูป ก, กายภายนอกกันใจมันร้อนนอนไม่หลับเอามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีมนต์นกไม่ได้ปลุกนกปลุกคนนะเว่าคุณให้รู้สึกตัวคุณคุณคิดให้รู้สึกตัวมาทําผมรู้สึกตัวอยู่ไม่เกินสิบห้าวันหายเลยไปทํางานธนาคารได้เหมือนเดิมไปให้คนที่ ลอกงามยามดีปลุกเสกขาถมขาถาลดน้ำมนต์ไม่หายเลยตั้งหกเดือนเนี่ยไม่เป็นยังไงอันนั้นมีสำหรับหลอกคนโง่คนไม่จึงชอบคนโง่เท่านั้นเองพูดความจริงให้ฟังไม่เอาเป็นยะังคนมันชอบคม่บค ม, คมง้อชอบผมหลอกขมลวงยนี้มันจึงมีผีมากไหว้ผีมากลดน้ำมนต์ที่นั่นที่นี่มันไม่รู้ พ, พระพุทธเจ้ามองคน ชาณจาเสวนาปูสาจะปูสานิญานางเอตัมมังคารมุตตะมังเนี่ยมงคลข้อที่หนึ่งเราไ ม, ไม่รู้อเสวนาจะพาลา น, นังหมายถึงคนผ่านคนกินเหล้าเล่นการพา น, นันเที่ยวากาันคืนคบคนซัวเป็นมตรเกียรติค้านการงานอันนั้นคนผ่านภายนอกเนี่ยเราเรีบมันได้สบายคนพ่านภายในคือใครอยเนี่ยคือเจ้าโมหะเจ้าโทษะเจ้าโลภานี่เองคนผ่านภายใน แล้วก็ยุคคนพานเราจะไปหนีคนพานได้ทําไมวันนี้นี่เองหลวงพ่อมาทับนิ่งควรคนนั้นเขาเรียนแพทย์แพทย์ทําฟันทําฟันนี่เขาว่ายัางไงทันตแทย์ทนตแพทย์นี่เขาว่าเขามาออกคีบิดเลยแม่ผมทําชั่วแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำไม่ทำชั่วคุณรู้ไหมผมรู้รู้แล้วคุณไม่รู้่คุณรู้ทำคุณรู้แล้วคุณทําคุณจะรู้ทําไมเขว่ารู้เข้าไปทําไม่ใช่รู้เลิกไม่ใช่ดูนี้แต่พ้อนผมไม่ทํา ผมไม่ลินเบีย้ยไม่ล่นไพร์ไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราไม่คบเพื่อนคนที่เลวเดี๋ยวนี้ผมดื่มสุราเรียดเด็ดเล่นการพนันเที่ยงกลางคืนคบคนที่ไม่ดีผมรู้แต่ผมทำไมจะเลิกไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นคุณไม่รู้คุณรู้ทำอะคันไม่ทำมันยั่นกลัวมูจะเสียใจแน่แกตัวเองเสียไม่รู้สึกตัวย่าไปกลัวยั่นเสียใจคนพูดไม่กลัวตัวเสียไปจะไม่กลัวแสดงว่าคนคนนั้นจะเป็นคนมีปัญญาไหม เรียนจนจบทันตแพทย์แล้วนะคนนั้นยังไม่สลดัดสู้หลวงพ่อเขียนหนังสือไม่ได้สลดัด จ, จริงๆนะเนี่ยหลวงพ่อไม่ทำก็เลยให้ข้อคิดก็คุณวะคุณจะไปเกงคนอื่นเสียใจทําไมคุณเกงคุณเสียคนนี่วะเพื่อนมาสวนนะไม่ไปมันจะเสียใจคุณก็ต้องมีน้าโยบายดิววะโอ้วันนี้มีธุระขัดข้อจําเป็นครับไปค น, นเถอะพวกนี้ค่อยไปเราตัวมันเสียมันจะเสียสัตว์ทำไมอันนั่นแหละสัจจะไม่รู้จริง จะมเสียสัตว like ์กลัวยันเสียสัตว์อันนั้นพระพุทธเจ้ากลัวสมบัติค่วมเป็นมนุษย์จัดหนีท่านในว่าเสียสัตว์เสียคนเป็นมนุษย์อันนั้นไม่ใช่มนุษย์อันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าผีเขาบักผีเนี่ยขันเป็นผู้สัจขันผู้ย่างเขาอีผีทําไม่ดีพูดไปมันจะเป็นสัตว์ได้ทำไมอันนั้นแรลยกว่าสัจจะของคนไม่รู้ถ้าเป็นสัจจะของคนรู้จะว่าสัจจะคือความจริงกลัวจะเสียสมบัติค่วมเป็นมนุษย์กลัวจะเสียสมบัติ ขวเป็นเทวดากลัวจะเสียสมบัติขวมเป็นอินบัญชมกลัวจะเสียควมเป็นพระญาบุคคลอันนี้ค น, น, นสัตย์ยากเรื่องของจิ้งหันว่าอย่างไรอันนั้นไม่กลัวเลยอันนี้กลัวยันมูอเสียใจเนี่ยมันผิดกันจริงว่าสมมุติให้ฟังแต่มันไม่รู้จักเดี๋ยวคนไม่รู้จักจะรู้จักไหมไม่รู้จริงว่าอ่เสวนาจะพาลานังพาลานี่เรียกคพานอาเสวนาเป็นนเปว่าอยู่ด้วยกินด้วยนครับอาเสวนาจะพาลาน แต่ภาลาคนผ่านภายนอกเราดิได้ง่ายๆคนผ่านภายในยนี่เราไม่หลุตัวไดนะ้ไม่ได้วันนี้เป็นฑิตภายนอกบัณฑิตานัา่นจะเชวัณนาปูซาจะปูสาเนี่ยนั่งเอตํมมังคลุมุตํัมังเป็นมงคลเนี่ยได้ไปครบอย่างที่พูดวันนี้เนะี่ยเรียนจบคันแทแต่จบเรียนประโยคเข้าก็ตามอย่างที่พูดแล้วก็ขออภัยนะยนะอย่างพระอาจารย์สุสีอาจารย์มัจนาเรียนปริญญาโทเนี่เป็นปริญญาเนะี่ยเป็นบัณฑิตบัณฑิตอนนั้นก็ดีไม่ใช่ไม่ดี แต่บัณฑิตที่ดวงพ่อพูดเนี่ยจะไปคบท่านตลอดเมื่อตลอดวันจะได้กินอะไรก็ไปเฝ้าไปกับท่านท่านไปทําอะไรตัวเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้าอะไรเลยปไปเฝ้าไปแหย่ท่านไปกับท่านนีเนี่ยปไปคบกับท่านแต่ต้องคบบัณฑิตภ า, ายในมันลุกด้วยมันนั่งด้วยมันไปด้วยมาด้วยเข้าห้องน้าห้องซวอยของเขาโดยควมรู้สึกตัวตื่นตัวควมรู้สึกใจตื่นใจอันนี้แหละบัณฑิตแท้ๆนะบัณฑิตคือ มีสติมีสมาธิมีปัญญาหอสามภาษาร์เรียกว่ามรู้สึกตัวตื่นตัวขมรู้สึกใจตื่นใจขมรู้สึกตัวตื่นตัวบังคับตัวขมรู้สึกใจตื่นใจบังคับใจบังคับตัวเป็นใหญ่ในตัวบังคับใจเป็นใหญ่ในใจเขาจึงว่าเป็นบันฑิตแท้เดี๋ทางกุ้งยาวไกลไปต้องถึงนี่คนเดินทางถ้าเดินทางให้ถูกมันก็ถึง ถ้าเดินทางไม่ถูกมันไม่ถึงดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติให้ดูจิตดูใจมันนึกมันคิดรู้อันนี้ก็ต้องไม่ต้องกําหนดรูปมากอันนี้รู้สมมุติ น, นี้พย า, ยามดูคุมคิดสร้างจังหวะให้มากอย่าสร้างซาสร้างไว้บ้างเดินจงพอมานห ว, ไวอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งมันจะมึนศีษะปวดหัวหนัก อ, อกอันนั้นมันพิษแปลว่าทำํำผิด พูดผิดคิดผิดนำทุกมาให้ทําถูกต้องแล้วก็คิดถูกต้องอันใดทูกต้องน่ะนําสุขมาให้ทําโดยไม่ใมันมีทุกทําสบายๆมันคิดรู้ตายเห็นก็รู้หูฟังก็รู้มีเพื่อนมาหาเราก็เห็นก็รู้ก็คุยได้ทําการทํางานไปตามหน้าที่อตนวัดหน้าที่ของคนควรศึกษาให้รู้และควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตน คนถ้าทำผิดหน้าที่ของคนก็มีแต่ทุกคนนั้นเองเนี่ยเป็นบ้านเมืองของเราทุกวันนี้พวกเพราะคนทำหน้าที่ผิดไม่ทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วเอาหน้าที่ของคนอื่นมาทำมาเ น, นี้แล้วหน้าที่ของตัวเองอยากให้คนอื่นทำมันจะได้ทำใหม่เห็นคนอื่นเขาทำมันไม่ดีอ้าวตัวไม่ดีหรือไม่คิดเลยมันเป็นอย่างนั้นดองหาแต่เรื่องกันคนอื่นนะตัวเองไม่ค่อยกับ น้อนั้นทําอันนี้นะให้รู้จักสภาพวัตถุหมายถึงสิ่งของต้นไม้ภูเขาห้วยน้องของบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นและตัวเองนี่ก็เป็นวัตถุเนี่ยหน้าตาแขนขามือเท้าลูกก็เปียวถจิตใจมันก็เป็นวัต ถ, ตเตถุเราเห็นวัตถุสิ่งที่ภายนอกภายในปรา ม, ามัดปรามาัดเป็นของจริงของจริงทางภายนอกของจริงทางภายในอาการสภาพเปลี่ยนแปลงอันนี้ตัวของผมหรือตัวอาตจมาลู่ต้นแรง เห็นสภาพแันนี้โทสะโมหะโลภะนี λά, ่ลดน้อยจางไปทันทีเลยเวทนาไม่ทุกส no ัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกอันนี้คือว่าขันซีเนเวทนารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเขาเรียกว่าขันห้ารูปห้าขันซีแบเนี่ยเวทนาขันมันจะรูปเวทนาขันสัญญาขัน สังขารขันวิญญาณขันเนี่ยว่าขันซี่อันนี้รูปซี่อันนี้ยัเทวดาจีว่ามองไม่เห็นถ้าคนใดไม่มีตาทิพย์ผีก็เหมือนกันมองไม่เห็นคนไม่มีตาทิพย์คน ม, มีตาทิพย์จึงเห็นจีว่ารู้ทำเห็นทมของจริงมีอยู่ในคนกุ้งซอกนาวานาคือมีแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างทีเดียวแต่เราไม่ได้ศึกษาที่นี้เมื่อไม่ศึกษาที่นี่จะรู้ว่าเราเป็นคนไหม เป็นแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจมันเป็นผีพราะมันไม่ละอายในทําพูดคิดอะไรไม่ละอายเลยหมาเนี่ยดูง่าเถอะมันอยากขี่ใส่หมากขี่ไปมันอยากเนี้ยวจากเนี้ยไปถึงเวลาเซิงมันอยากเซิงกันตามถนนคนทั่วก็ะเซิงไปแล้วคนเป็นอย่างนั้นมันจะใสใดไหมมันก็ใส่ไม่ได้ด้วยอย่างนั้นมันก็หน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนจิตใจมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอย่างนั้นยังคนนี่แหละเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมนุษย์ เดรัศศาสตมนุษย์เตมนุษยนนรกมนุษย์อสุรกายท่านบอกว่าบัด น, นี้คนนี่ก็เหมือนกันพัฒนากรมเป็นคนมนุษย์ศาสคูตโตมนุษย์ศาเทร์เท็นมนุษย์นี่เองเป็นเทวดาจวที่สุดข้อเรยว่าเป็นพระยบคุคคลพระไม่ได้หมายถึงอันนี้นะอันนี้มันเป็นสมมตินั่นบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วขบวชถามหลวงพ่อนี่ยหลวงพ่อบวชมาจากเธอแล้วครับบวชแล้วศึกจากเธอแล้วศึกจากมา เนี่ยสมมุต port ิเยสมมุติอันนี้ว่แล้วก็ตึกซสียแล้วไปอะไรไปอะไอปะโตไปไม่ไปทำไมที่ตรงนี้เนใจมันเป็นไม่ใช่ตัวคนเป็นจริงวาเข้าถึงธรรมะจึงเข้าถึงจิตใจ เอามือมาเกี้ยวผมดึงผมออกมาโอ้ผมยาวเขานั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเลยนุ่งกางเกงนี่นะเขาเป็นโอ้เป็นพระได้แนบเนี้เนี่ยมันเข้าใจยันจิ้มว่านี่แหละเป็นปรมัดเนี่ยปรมัดเป็นของจริงเป็นผู้หญิงก็เป็นพระได้เป็นผู้ชายก็เป็นพระได้เป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งก็เป็นพระได้ถือศาสนาใดนุ่งผ้าสีอะไรก็เป็นพระได้ถ้าเดินทางถูกนะถ้าเดินไม่ถูกก็ไม่ถึง เป็นไม่ได้เราจะไปติดตั้งแตตสมมุติน่ะพระพุทธไม่ใช่ทองคําำพระธรรมไม่ใช่บรรลานลูกสาวบ้านไม่ใช่พระสงฆ์พอแม่ปู่หลานฮันส่วนพระพุทธไม่ใช่ทองคํานะเราล่อพระทองคําอันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมคือตัวหนังสือเนี่ยเราไปกาไปไหว้ขับท้อใดก็ไม่ใช่เป็นควาธรรมบวชลูกสาวบ้านเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์เลนมาเน่ะมันไม่ใช่พระสงฆ์เป็นเพียงสมมตินั่นเองถ้าพูดอย่างนี้พระสงฆ์มูลหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตา พานุ่มเล็กน้อยอาจจะเครียดออผมก็เป็นเนนเนี่ยเป็น่านเนนแปลว่าเล่ากอถ้าไม่เป็นเล่าเป็นกอของพระพุทธเจ้าจะมาเป็นเนนทําไมเนนแปลว่าเล่ากอเหมือนกับกอตะไคร่บ้านผมเนี่ยหัวสีไข่พูกหัวเดียวมันแพรออกมาเป็นกอย่างไงอ้อยก็เหมือนกันพูกลําเดียวโ้องออกมาเป็นหลายลําขึ้นมากล้วยก็เหมือนกันมันเป็นกอเดียวพันธุ์มันจะเป็นอย่างไงมันเป็นพันธใดพันนี้จิ๋วเนนต้องแปลว่าเล่ากอสมัเนนกับสามัญสมณะ แต่พูดสงบก็เป็นก้อนี่ยนะอันนี้แหละนาธรรมะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วมางานในเทียนมาทําบุญหาในเทียนวันนี้ก็เลยเข้ามาแย่สานักนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังการปฏิบัติธรรมต้องเข้าถึงตัวเราจริงๆริงจริงเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงค์พระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาดสว่างสงบ นี่มนตั้งแจกฝากเวลานี้ก็ได้สองโมงกับสิบสิบิบกนาทีสิบหกนาทีสิบเอ็นาทีสิบเ็นาทีถืงสันเศาเสร็จแล้วเรียกสันจังหันก็จะถือโอกาสพูดให้พวกเราฟังแล้วก็ออกไปพิจารณาไปคิดแล้วก็ต้องปฏิบัติ ปฏิปัญญาของแต่ละคนละคนไป <c oughs> คนเราส่วนมากความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงกันและการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ตรงกันเมื่อความคิดความเห็นไม่ตรงกันการปฏิบัติก็ไม่ตรงกันผลที่ได้ออกมาก็ไม่ตรงกันอีกแล้วเป็นเพราะความเห็นไม่ตรงกันการกระทําก็ไม่ตรงกันผลออกมาก็ไม่ตรงกันเป็น ดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสพูดให้ฝว่าคนเราไปติดตำรามากติดคำพีติดหนังสือที่เป็นคำพีเป็นไบลานก็มีเป็นหนังสือที่เขาพิมพ์เป็นเล่มก็มีพิษตำราไปไม่ได้บางคนบางคนก็พิษไปบางคนก็ไม่เอาเลยก็มีมันมันปนอย่าบางคนติดพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเขาเขียนไว้ไม่ใช่เป็นพระไตรปิฎกตัวจริง พระไตรปิฎกอันนั้นตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหม้เขียนขึ้นมาใหม่ก็ยังมีในติณอันพระไตรปิฎกจริงๆคือตัวคนเนี่ยไม่อยากศึกษาที่ตรงนี้แล้วก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกอันนั้นมันเป็นแต่มันก็ดีนะที่ผมพูดนี่ไม่ได้อไม่ได้ไปทําลายแล้วก็ไม่ได้ส่วนให้อะทิ้งพระไตรปิฎกอันนั้นไม่ได้ส่วนทนันพระไตรปิฎกอันนั้นเขียนไว้เพื่อเป็นแผนที่เท่านั้นเองแล้วการกระทำของพวกเราเให้มันตรงกับพระไตรปิฎกอันนั้น แต่มันไม่ทำเมื่อไม่ไม่ทำตรงพระไตรปิฎกว่า น, นั้นมันก็เลยผิดพระไตรปิฎกไปดังนั้นวันนี้จึงว่าจะขอแนะนําให้พวกเราได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะกฏตางหรือการปฏิบัติพระไตรปิฎกกฏตามหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติที่ตัวเราปฏิบัติตัวเราเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อรู้ เพื่อผมเข้าใจเพื่อการเห็นแจ้งสภาพหรือภาวะของคนเหมือนกันไหมคนยกคนกอนโน้นกับคนยุกนี้เหมือนกันไหมเราจะได้รู้จักอย่างไรและผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันไหมพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันไหมหรือผิดแปกแปกตกต่างกันไปอย่างไรเราจะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างนั้นเราก็จะออกมาแก้ปัญหาที่ตัวเราเ อ, อสมัยนั้น แต่ก่อนมั น, มนวุ่นวายสับสนเดือดร้อนขัดอกขัดใจกันกพระพุทธเจ้าถึงเห็นโอ้สมัยนั้นก็ทุกข์พระพุทธเจ้าย้อนไปถึงกลมคิดคนคนุกนุ่นนต่อมาคิดถึงสภาพความเป็นอยู่ของเราสมัยนี้นก็ทุกข์เหมือนกันและอนาคตข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านคิดแต่เราไม่ได้เห็นดอกเดาๆาอันนี้เพียงว่าเดาๆนี่ว่าอย่างไร เดาไม่ได้เดาเดานั่นะเดาเดาคิดว่าคงจะคิดอย่างนั้นท่านก็นเลยออกศึกษาปฏิบัติตามครูบ า, า, าอาจารย์หลายอาจารย์แต่มันยังไม่เข้าใจจนท่านท่านมาทำความเข้าใจกับตัวท่านเองเลว่าที่ใต้ต้นโพทําทางจิตทางใจคําว่าจิตใจเนี่ยสมัยก่อนโน้นก็มีจิตมีใจเหมือนกันและสมัยปัจจุบันนี้ก็มีจิตมีใจเหมือนกัน และอนาคตข้างหน้าก็จะมีจิตมีใจเหมือนกันวันนี้คนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยก็มีจิตมีใจเหมือนกันคันถ้ารู้ก็ต้องรู้เหมือนกันนะที่ถ้ารู้ไม่เหมือนกันก็แสดงว่าความเห็นไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันแล้วผลมันออกมาก็ไม่เหมือนกันแล้วเสร็จถ้าหากเราเข้าใจว่าปฏิบัติเหมือนกันเห็นมือนกัผลออกมาได้รักเหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันอยู่ธรรมะ สอนของพระบุรีเจ้ามีอันเดียวเมตกรหน้าท่านไม่ได้ตัดรูุ้มันก็มีอยู่อย่างนั้นและหลังจากท่านตายแต่แล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นในขณะเพื่อท่านรู้ท่านเห็นท่านค้พบกว่าเมื่อท่านมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านก็เห็นท่ารู้ก็เข้าใจแล้วท่านก็ออกมาเผยแพร่ออมาแก้ปัญหาของทกคนท่านแก้ปัญหาของท่านแล้วท่านก็แก้ปัญหาของเพื่อนเราเป็นดังนั้นวันนี้ก็ จะแนะนําพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจว่าชีวิตของทุกคนมีค่ามากมีราคามากซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไม่มีตลาดประเทศใดชาตใดตัไม่มีตลาดขายชีวิตคนแต่ชีวิตตัดแท่อาจจะซื้อไป่ค่าได้ครับคนนี้อย่างที่รับจ้างกันแต่ค่าเนี่ยอาจจะเป็นการรับจ้างพิเศษไม่ให้เจ้าของรู้ก่อนเพราะว่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเจ้าของรู้แล้ว ไม่ขายนึกวดาคนอยู่ที่นี่ใครจะต้องขายขายชีวิตมีไนะครับแล้วมีไหมไม่มีใครไม่มีขายชีวิตนะเนี่ยเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยอันเงินทองเนี่ยเราดิ้นโลนหามันแต่เมื่อได้มาแล้วนึกว่ามันจะมีความสุขผลที่สุดนําทุกมาให้คนอี่นแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดไม่ควรที่จะให้มันเป็นพวกอย่างนั้นถ้ารู้ธรรมะจริงๆแล้วไม่ควรที่จะใช้ชีวิตแบบนั้น ต้อควรแก้ไขปัญหาตัวเองเองได้ชีวิตนัน ม, มีราคาเจคนทุกคนเกิดมาวาทุกมันไม่ใช่ว่าชีวิต ท, ทุกมันกิเลสเราทำไปตามใจชอบทำไปตามอารมณ์ทำไปตามความคิดเห็นไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าญาติโยแมแม่ขาวแม่ดำก็เช่นเดียวกันคือคนไม่รู้จักแก้ปัญหาตัวเองนี่เองถ้าเราแก้ปัญหาตัวเองแล้วไปอยู่สังคมไหนก็ได้เป็นภาคสงฆ์ก็อยู่ได้ เป็นฆราวาสญาติโยมก็อยู่ได้เป็นแม่สีแม่ดำก็อยู่ได้ถ้ารู้จักแก้ปัญหาตัวเองโดยที่ไม่มีทุกแล้วผมเห็นหลายคนแม่ขาวก็เหมือนกันบางคนเส้นตั้งตา ม, มาดิฉันเป็นทุกข์ทุกเพราะเรื่องอะไรมาบวชเป็นแม่ขาวดวงยังทุกข์อยู่โอ้โหที่สุดหนึ่งแม่เจ้าของเสียสละเวลามาบวชเป็นขาวเป็นสียังไปคิดมั่วสุมในทังที่ทุกข์พิดพิดเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเนี่เป็นคนจึงกลัวกลัวหมดทุกข์ ทำไมเจึงโกละหมดทุกข์พอไปฟังหัวกับตำลาในตำลาเขาบอกว่าอย่างคนเจียงกลัวผเจียงกล้าพูดได้ว่าพระใจเปิดกหนึ่ะเขียนไว้ตกน้ําก็ไหลตกไป ก, ก็ไมหมเขียนไม่ก็มีว่าอย่างแต่คนอย่าเข้าใจผิดนะผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะขรวาษ ญ, ญาติโยมปฏิบัติธรรมะเพื่อสิ้นทุกข์แล้วดูไม่เกินเจ็ดวันตายเลยแล้วคนไม่ไม่อยากตายทีเดียก็เลยไม่อยากปฏิบัติธรรมะ กลัจะหมดทุกข์อยถ้าไม่บวชก็ไม่ได้เรนเทฆะละวะเนี่ยเข้าใจไปคนจึงไม่กล้าปฏิบัติธรรมะเพื่อให้หมดทุกข์จิงๆคนจึงมีการกลัวมีผ่านการกลัวต่อสวรรค์การกลัวต่อความสุขกลัวต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าหาคนใดมีความสามารถกล้าแข็งปฏิบัติธรรมะตามแนวพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทุกข์ จ, จะหมดไปเรื่องตายนั่นนะ่ะ อันนี้ผมว่าตามความคิดเห็นของผมเองวันที่จันคานพุทธสุขเสาใต้ไทยได้จิตษษษษวันนี้เองไม่เกินก็จิตวันนี้ไปได้อันนี้เป็นการเข้าใจไม่ตรงคนที่เขียนมานั้นบางทีคนนั้นอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เข้าใจแล้วเขียนไหมวันนี้คนที่ไปอ่านก็เลยจดจําหัวฝังเรื่องกับตาําราออกจากตําราไม่ได้เองอันนี้เป็นการมาเสนอแนะพวกเราให้เข้าใจเอาไปคิดเอาไว้ ผมปฏิบัติธรรมเป็นโยมเหมือนกันผมไม่ผัวตายเลยผมยังคิดไว้อย่างนี้พ่อผมเลาให้ฟังเราเกิดสันส้นๆเลยนี่ศาสนาล่วงไปได้ห้าพันปีนี่ครับจะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนมีเทวดาจะมาปิดดวงอาทิตย์นี่ปิดดวงตะวันนี่ไม่ไม่มีแสงสว่างเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนคนไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องอดหิว อ, อยากก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินข้าวเขไม่ได้กินเพราอมนไปไหนมาไหนไม่ได้ ถึงเจ็ดวันแล้วพระพุทธรูปหรือพระาธาตุพระอะไรก็ตามนี่ยจะเหาะไปรวมกันที่เดียวพอดีไปถึงที่นั้ น, นดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูป ก, กับพระาธาตุอะไรต่างๆเท่ากับเม็ดงานพอดีไปถึงนล้าธาตุอันนั้นรูปนั้นแตกออกไปเป็นไฟไหม้ไปหมดเลยดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเท่ากับเม็ดงานเนี่ยจะไปรวมตัวกันเข้าเป็นเจ้าชายกิตติธถรมกุมารเปิดโลกกว่ทน แล้วก็มีรู้จักทิศฐานขึ้นมาแล้วก็แสดงทำให้คนฟังคนใดมีปัญญาแหลมคมฟังได้เป็นพระราหันในคราวนั้นลุกลงมาก็เป็นพระอนาคามีลุดลงมาก็เป็นพระสัจธิทาคารีลดลงมาก็เป็นพระโสดาบันบุตรลกลงมาก็เป็นมนุษย์หรือว่าพูดที่ยังไม่ได้เข้าใจก็เป็นคนธรรมดานี่เองไม่เป็นแล้วแต่จะเป็นไปแล้วผมยังนึกในใจไว้ตายลงไปเนี่ยให้ได้เกิดพบ คราวนั้นแหละจะได้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจะได้สําเร็จจะหมดกิเลสได้จะเข้าใจอย่างนึง น, นในใจว่าอย่างนั้นแต่เป็นการเข้าใจผิดไปครับแต่ความจริงดวงจิตวีย ญ, ญาณพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปทำไม่ได้ครับอยู่กับคนนี่แหละพวกเราอยู่ที่นี่แหละพระพุทธรูปเนี่ยมันเป็นพระอยู่ในใจคนพระจึงแปลพูดสอนคนพระจึงแปลผู้ปรกุศฐอันรูปอันนี้มันทําอะไรไม่ได้ทุกคนมันมีรูปนี้ นี้จะทำการทํางานตามหน้าที่ท น, นเองทําหน้าที่เช่นพ่อค้าพ่อขายก่อนทาหน้าที่ซื้ขอขายถ้าเป็นข้าราชการก็ทําหน้าที่ของราชการถ้าหากเป็นชาวนาชาวสวนก็ทาการทํางานตามหน้าที่ชาวนาชาวสวนเข้าใจอย่างนัไรจึงว่าคนมันไปติดตำราจึงขูมเห็นคนจึงไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมะคนรู้ไเหมือนกันผ ล, ลออกมาก็ไม่เหมือนกันจริงๆถ้าหากเห็นคิดใช้ถูกต้อง ตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผมว่าเข้าใจธรรมะไม่เหลือวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนคนเนี่ยให้คนไม่มีทุกข์เท่านั้นเองอันโอมทุกเนี่ยไม่ใช่เนคนนะครับมันเป็นเปรต เ, เป็นผีเป็นอะไรก็พูดไปนะ น, นะสามเรื่องทอา น, นั้นเองดันงนั้นจิตใจคนจิ๋ว่ามีพรกพทะหรือมีพระพุทธเจ้าแต่พอเราให้ฟังใ น, นรดวงจิตสป็นอย่างพระพุทธเจ้าไปโกะดออิวทัคเบตงานไม่จริงดวงจิตของคนเนี่ยหน้าที่สดใสสะอาดสว่างสงบ มีในคนทุกคนวันหนึ่งจะมีกี่ครั้งมันสดใสสะอาดสว่างสงบมันทําคดสว่างให้แกเรานะบางคนไม่เคยดูใจตัวเองบางคนจนตายก็มีนะบางคนบางคนไม่เคยรู้ว่าเจ้าของทำการทาํางานอะไรคนนี้บางคนไม่เคยคิดว่าหลักพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรไม่เคยคิดมาเห็นแต่เพียงวัดเห็นพระพุทธรูปแล้วก็เห็นพระสงองค์เจ้าอันนั้นดีแล้วนะ่ะมันเป็นเรื่องสมมติ ตัวปฏิบัติธรรมจริงๆคือปฏิบัติที่ตัวเราเมื่อปฏิบัติตัวเราพ้นทุกไปได้นั่นแหละคือพุทธะเกิดขึ้นมาในใจแล้วพราะเราเห็น พ, พระพุทธเจ้าแล้วคําสอนทั้งหมดเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ระเจ้าสอนแต่เรื่องทุกแก้ปัญหาแต่เรื่องทุกเท่านั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นนั้นนะเขามีสอนการดีอย่างนั้นเป็นการทําดีครับดีแล้วถึงให้ทานรักษาศีลดีแล้วให้ฐานรักษาศีนโลไหม ี่ผมเข้าใจว่าถ้าไม่ปฏิบัติจริงจริงเดี๋ยวผมจะไม่รู้เพราะผมเคยให้ทานเคยสสรัรกษาคนนัมมมมม้มันไม่รู้นะครับทำกรรมฐานนั่งวามสงบดีๆแล้วรู้ไหมผมก็เคยทำนะครับมันไม่รู้นครับจนมากาหนดการเคลื่อนไหวของรูปกายนี่โดยวิธีใดก็ให้รู้แล้วจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้มันจะคิดวิธีใดก็ให้รู้ นี่ครับใกล้ๆเลยคนนี่ยไปทำการทํางานเด่นก็ต้องเอารูปเอาไปทําวันนี้จิตใจมันนึกมันคิดเราเยอะที่ไหนก็นึกได้คิตได้ก็เลยเข้าใจว่าคำสอนเนี่ยจิตที่หลุดพ้นแล้วจิตนิตที่หลุดพ้นแล้วเรียกวเป็นอิสระเขามาจิตหลุดพ้นได้เป็นอิสระไหมครับไม่ใช่ว่าตัวนี่เป็นอิสระเด็กจิตมันหลุดพ้นไม่ถูกปรุงแต่งบนครับเรียวเป็นอิสระแท้ครับจิตใจคนมันมีอยู่ครับที่มันถูกปรุงแต่งไม่ได้ไ คล้ยๆคือที่เราจะพูดว่าเอาน้ํามันล่อลื่นมาสโลมไว้บนี้ เ, นเอาของสกปกมาโยนแสเนียนครับโยนไปแก้วน้ํำผมแล้ว เ, เอาน้ํามันล่อลื่นมาสโลมไว้เลยครับนมันทําเอาดินแปะมันไม่ติดเลยครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราจิตใจาจิตใจเป็นอิสระครับจิตใจเป็นอิสระและไมทั้งจิตใจหลุดพ้นไม่ใช่จะไปคาดคิดออกอย่างนี้เลยครับนี่มาความเป็นคุฏพระนั้นมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่ <c oughs> จะปฏิบัติให้รู้หรือไม่ปฏิบัติไใั้รู้เท่านั้นเองวันนี้ก็สั่งเราแล้วก็แนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเองหากเสื้อตำรามากก็ไม่ได้จะทิ้งตำรามากก่็ไม่ได้บางคนติดพระใจปิดกเนี่ยอันพระใจปิดกนันก็มีอยู่แล้วเนี่ยวัด น, นี้ยังไปติดอีกวัดหากเป็นคารวายยาวโยมปฏิบัติธรร ม, มะบรรลุธรร ม, มะไม่เกิดเจตจำนงเพรามันกลัวตายเรื่องอย่างทั้งกระเสื้อก็มีครับ เนี่ยคนนี่มันมันจิตใจไปเหมือนกันไปเสื่อกเรื่องที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคนนียังมาคนมาปฏิบัติ ธ, ธรรมกลัวตายไม่อยากปฏิบัติจริงจังปฏิบัติเน้น้อยเอาจริงเอาจังไม่ได้กลัวย่านไม่ได้ไปสู่พระคลรวาสีบางคนนะพระสงฆ์เจ้าเราบางคนก็ถ้าเป็นคลรวาสกลัวจะตายย่านไม่ได้แต่งงานผมันคิดไปอย่างนั้น mm hmm. ย่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันคิดไปสัพเทเหะละไปอย่างนะครับโอ้คนนี่คนคิดมันไม่เหมือนกันกลัวจะหมดทุก กลัวจิตใจจะล้นจะพ้นประจักควมปุงแตกเนี่ยกลัวจริงๆเคยมีคนถามผมหลายคนเออปฏิบัติธรรมะแล้วแต่งงานได้ไหมผมก็ซี้ให้ดูน <c oughs> หรือธรามีิมารวิภาคพลเศสองมีไหมมาว่าถ้าโซดาบันเนี่ยมีควดหัวมีอาจารย์ประเสธนิโลกมีไหมเพียในละเมอว่าไม่มีธรรมวิภาคพลเศสอ ง, มสองผมผมอ่านมาเสียไปดูอันนั้น <c oughs> เพราะมันแก้ไม่ได้แก้ใจิตใจคนอ่านหนังสือแต่แก้ออกนี่เป็นยางไงที่ให้ข้อคิดเป็นเครื่องตี่นจิตตื่นใจวันนี้ก็สันเ้าเป็นแล้วก็เห็นว่าสมควรเกยยลาดเลยนะครับอ๋อีมงปลุกหากากกันได้ไม่ต้อง